ขอให้ข้าพระองค์ถึงพระองค์ถึงพระกัจจายนะเป็นไปเป็นสาระแะกระจายนละท่านบอกว่าอย่ามาถึงเราเลยถึงพระพุทธธรรมประสงค์จึงมีอานิสงส์มากเพราะพระพุทธธรรมประสงค์ทรงที่ดวงใจของพวกท่านทั้งหลายท่านสอนท่านเป็นพระนอหัน์แล้วท่านยังไม่ตรีตราะลานเขากราบท่านท่านบอกว่าโอนให้ถึงพระพุทธธรรมประสงค์ ถึงอัตมามันไม่มีบุญมากท่านสู้ถึงผูท้ทำประสงค์ไม่ได้ท่านยังโอนถึงเลยดินหนุนดินน้าำ น, นุ่น น, น้ำไฟนุ่นไฟลมนุนลมดิ่มน้ําก็คือเพิ่มธาตนา้ําถิงไฟก็เพิ่มธาตไฟหายใจเข้าออกก็เพิ่มธาตุลมนึกไปในทางดีก็เพิ่มธาตบุญนึกไปในทางชั่วก็เพิ่มธาตบาปบาปอยู่ที่ดวงใจ เรียกวามโนธาหรือธรรมธาตสิ่งใดที่บัญญัติว่าเป็นธรรมสิ่งนั่นก็บัญญัติเป็นธรรมธาตหรือธรรมขันบัญญัติอะไรก็บัญญัติอ่อไปจากใจใจเป็นต้นบัญญัติใจเป็นต้นสมมติหาความสุขกับวุมพ้าอาถาไัไม่เจอไม่เจะไม่คดไม่เห็นหาความสุขที่ดวงใจมันจึงจะอหุน ดวงใจที่ปลอดจากความเบียดเบียนดวงใจที่ในความเบียดเบียนอยู่มันก็มาเจอศุขเพราะฉะนั้นจึงมีปานาติบาตในเบื้องต้นตลอดถึงสราเมนะครับเป็นชุดท้าแต่ไม่ดื่มมันก็เมาอยู่แล้วศีลเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างยาวสมาธิเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างกลาง ปัญญาเป็นเครื่องกำจัดอนุสัยที่นอนเนินในคันดะสันดาไอาที่แค่ศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็าดีก็รวมคนเป็นอันเดียวกันแต่มาแยกกันเพื่อให้เข้าใจชัดเฉยๆค่ายกับหนังกับเนื้อกับเอ็นกับกระดูกอาที่แค่ก็อยู่ด้วยกันค่ายกับหน้ากับตาอ้ที่แค่ก็อยู่มาด้วยกันไอท้ที่มาแยกออกเพื่อให้เข้าใจชัดเฉยๆไอ้ที่แค่ก็อาศัยซึ่งกันและกันอยู่ คนแก่ในร่างกายก็แก่ทั้งกระดูกด้วยก็แก่ทั้งเนื้อทั้งหนังด้วยแก่ทั้งเส้นทั้งเอ็นด้วยชั้นใดก็ดีเมื่อศีลแก่สมาธิก็แก่ปัญญาก็แก่เมื่อศีลอ่อนสมาธิก็อ่อนปัญญาก็อ่อนศีลพระบรมสารีราล ง, าศาศาศารงสังเส ร, ริมนี้ลงในศีลสัสดาวันเป็นต้นของขุมมรดกทั้งหลาย คือสินห้าบริบูรณ์เรียกว่าศีนคารวาสินสิบบริบูรณ์เรียกว่าสีนของสมณีสินแปดบริบูรณ์เรียกว่าศีนของพระอนาคามีสินห้าบริบูรณ์ไม่ด่าวไม่พ่อยเรียกว่าศีนของพระโสดาบันศินสองรอยยี่สิบเก้าไม่ดามา่าวไม่พ่อเรียกว่าศีนของพระอนาคามี ถ้าอย่างนั้นผู้บวชมาก็ต้องเป็นพระสวดาบาลหมดสิเพราะศีลมันยังด่างยังคทอยอยู่มันก็ไม่เป็นทําไมผู้บวชมาจึงเป็นโลกีปนเปยอยู่ก็เพราะเกียตนามันต่างกันบางท่านก็มีเกตินาบวชมาพอแก้ราําคาญหรือตามประเพณีของบ้านเมืองเขา ผู้ที่อุปสมบท ม, มาเพื่อพ้นทุกข์ในวาราสงสารผู้นั่นเจตนาของเขาถึงโลกุตระเจตนาแล้วคราวใดชาวโลกห่างเหินจากสินธรรมกิเลสก็แสดงปาฏิหาริย์ขึ้นคราวใดโลกไม่ห่างเหินจากสินธรรมกิเลสก็ไม่แสดงปาฏิหาริย์ขึ้น มองดูหน้าดูตากันก็ถนัดน่ะด้านละกิเลสจะเล่นไม่ได้ด้านอาบน้าเว่นไม่ได้ด้านละกิเลสก็เล่นไม่ได้ดไไดดไไดถ้าคนละกายมังคุดกบโสมุนอาบน้ําภายนอกพอเข้าสังคมได้จิตใจยิ่งสุขปกโสมุนก็ยิ่งร่างยากจะเอาน้ําภายนอกไปลากมันลางไม่ได้จิตใจต้องเอาศีลธรรมเข้าไปลาง เข้าไปเป็นอาหารใจกินอาหารอยู่วันกลางวันกัางคืนกายกินอาหารเป็นเวลาอารมณ์ของใจเป็นอารมณ์ที่สำคัญถ้าเป็นไปในทางทางกุศลก็เป็นอารมณ์ไปทางกุศลถ้าเป็นไปในทางบาปก็เป็นอารมณ์ไปทางบาปถ้าเป็นไปในทางสมาธิก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานถ้าเป็นไปในทาง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 ลบสิ่งไม่ดีออกหารสิ่งไม่ดีออกเอาสิ่งที่ดีไว้ลบสิ่งที่ไม่ดีออกเอาสิ่งที่ดีไว้คูณสิ่งที่ดีขึ้นไว้ที่ดวงใจคูณสิ่งที่ชั่วเอาออกทิ้งบวกสิ่งที่ชั่วเอาออกทิ้งใครเป็นผู้รู้จักดีชั่วนอกจากใจไม่มีใครจะรู้ก็เป็นหน้าที่ของใจใครจะโง่จะขนาดก็เป็นหน้าที่ของใจ จะไปทิ้งความโง่ความฉลาดให้ตาหูจมูกเล่นกายมันก็ไม่รับนั่นคำสอนแต่ละวระบาดก็สอนใจทั้งนั้นพระบรมศาสนาองค์ไหนๆก็มาเทศเสมอกันหมดมีพราบาเดียวกันไม่ลบล้างพราบากันเลยแต่พวกเราสี่ห้าปีก็ทำกฎหมายใหม่สีห้าปีก็ทากฎหมายใหม่จะได้เงินที่ไหนมาชนะชนัง ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นยุคใดผู้ใดมีกิเลสมากก็ตั้งกฎหมายเข้าข้างตัวนะแล้วมันเดือดร้อนทีนี่เดือดร้อนก็ร้องขอกันที่นี่ขอดีก็ดีขอไม่ดีก็ฆ่ากันนะั่นเวรสนองเวรภัยสนองภัยในวตาสงสารอันนี้เหตุฉะนั้นจึงเว้นคำสอนใะพุทธศาสนาไม่ได้ใครจะอวดดีสักเพียงไหนก็ตาม ถ้าตั wheels, creator, n n ้งกฎหมายกฏหมู่กฏทักกฏพวกไม่มองดูพระพุทธศาสนาแล้วมันไปไม่รอดหรอกพระกรรมและผลของกรรมเป็นพูดตามตัดสินอยู่ไว้มีกลรงวันกลางคืนตามไต่สวนอยู่ไว้มีกลางวันกลงคืนพยานก็อยู่ที่นั้นอายการก็อยู่ที่นั่นพิพากษาก็อยู่ที่นั่นท่านนายก็อยู่ที่นั่นอยู่ที่รวงใจมันตัดสินเองมันผลกรรมและผลของกรรม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 กรรมชั่วก็คืออกุศลกรรมที่ท่านละพอแล้วท่านก็เลยอยู่เหนือกรรมไปสัทรงอยู่เหนือกรรมก็เข้าพญานานทําไปสักหมดจิตที่จะทําอีกเหตุที่จะละโลภละโกรดละหลงอีกไม่มีผลของเหตุที่จะให้ยิ่งไปกว่านั้นแห่งละโลภโกรดหลงไปอีกก็ไม่มีแปลว่าอยู่เหนือเหตุแล้วผลสัเหตุที่จะละโลภละโกรดละหลงไม่มีเหตุที่จะรักน้ำใส่ตุ่มก็ไม่มี เหตุตุ่มที่จะรับน้าไว้ก็ไม่มีเรียกกระผลผลของการตักน้ามันก็ไม่รับไว้เพศใส่มันก็ร่นหนี้หมดเพราะเหตุจะปักไม่มีผลจะรับไว้ไม่มีแสดงว้าภาชนหารก็อันเดียวกันเหตุที่จะทําบาปอีกก็ไม่มีเหตุที่จะละบาปอีกก็ไม่ไม่มีผลที่จะนํามาให้ก็ไม่มีบุญก็เหมือนกันเหตุที่จะสร้างบุญก็ไม่มีผลที่จะได้มาอีกก็ไม่มีเพราะเั่นแหละเหตุนนแหละผลไปแล้ว ก็ทรงสั่งสอนเวรในของสตัตวตามเท่าที่ควรแล้วสัตวเกาะไปสักสิ้นลมพานไปสะคคำสอนใดๆในไตยโลกทาตมันเป็นเมืองขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวโทษแล้วพูดเล่าจนหนวกหูเพราะมันจริงพูดเวรนาไหนมันก็จริงอยู่เหตุฉะนั้นจึงพูด บ, บ่อยยิ่งพูดก็ยิ่งจริงถ้าคำจริง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 สอนไปสอนไปสอนให้เหนือโลกไปเอกวิชาพระพุทธศาสนาะวิชาทางข่าวว่าสอนให้ทะเยอทยานในวัตถุนิยมวัตถุนิยมเราก็ชมมาดีอยู่แต่มันอยู่ใต้อูของอนิจจังอย่างสูก็ดาวเทียมขึ้นไปทีนี้เวลาตายที่ดาวเทียมก็ลงมาใต้ดินเหมือนกันนเะพอมันขึ้นขึ้นไปจาก ด, ดิน ผู้ไปหาดาวเทียมเกิดตายเปไ็นไมแต่ัลโหลกโกรธลงไมยไหมก็ขี่โรคขี่โกรธขี่หลวงขึ้นไปใช่ไหมนั่นมีผู้ไปทะเลาะวิวาทกันไปดา่ากันชกกันอยู่ที่ดาวเทียมมันก็ตกลงมาจากดาวเทียมตูลงมานี่เหมือนกันนั่นเพราะมันกีเลดตจะมีอยู่ไปไหนก็อเอาไปกีเดตไปด้วยนั่นเรื่องกีเดตเปขอสําคัญมากเรื่องอื่นไม่สําคัญเหตุฉะนั้นท่านเจ้ามณฑลว่า ขันธมารมานคือฟันจัขันธ์กิเลสมารมานคือกิเลสอภิสังขารมารมานคืออภิสังขารเทวะบุตรมารมานคือเทวะบุตรมณณะมารมานคือมณณะถ้าชนะกิเลสมารแล้วมาร์ทั้งหลายก็ชนะกรรไปหมดกิเลสมาร์นของสําคัญกิเลสมันเกิดขึ้นจากไหนมันก็ขึ้นเกิดขึ้นจากใจนี่เอง ใช้ใจไม่ทําให้เกิดมันก็ไม่เกิดใชาใจรู้เท่ากิเลสใจก็ไม่ทําให้กิเลสเกิดใชาใจไม่รู้เท่ากิเลสใจก็ทําให้กิเลสขึ้นสนิมมันเกิดขึ้นที่ไหนมันก็เกิดขึ้นที่เด็ดถ้าไม่ไม่เล็กก็ไม่มีสนิมแต่เล็กดีไม่มีสนิมปกครองกันด้วยวิธีไหนปกครองกันด้วยธรรมะของพุทธศาสนาถ้าไม่เข้าหาธรารมะพุทธศาสนาแล้วมันปกครองกันไม่อยู่หรอก มันไม่มียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาป่ะจะปกครองกันโดยวิธีไหนมันก็ไม่อยู่ละความช่งุ้กลัวต่อบาปควากลัวบาปความเชื่งุ้งกลัวต่อบาปควาครละ อ, อายบาปเรียกว่าฮิริฮิริถ้าอ่านเป็นคาสามาคตกับว่าฮิริคนามละอายต่อบาปโอตปะความกลัวต่อบาปจะปกครองโลกอยู่ได้ สังคมในที่ไม่มียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปสังคมนั้นจะเอาอะไรมาปกครองมันจึงจะอยู่มึงข่าครูกูก็ข้ามึงได้ลูกหลานกูก็มีนั่นแล้วไม่เป็นนั่นเงินใต่โต๊ะใต้เตียงมันมาจากไหนมันก็มาจากความไม่กลัวต่อบาปไม่ไดอายต่อบาปนั่นเองนั่นจะไปตัดตีนเสียมือมันตายหมดมันก็ยังไม่สงบ พราะจิตใจมันไม่เห็นโทษในเรื่องบาสนั่นจะเอาตำรวจทหารหรือพลเมืองเข้าคุกไม่มีคุกที่จะใส่มันไม่เห็นเรื่องโทษในบาสนี่หรใครจะช น, นะชนะงไปทำคุกทำเรือนจําโทษตุวนทำเท่าไหรมันก็ไม่ครบใครจะเป็นกรรมการตกลงกรรมการตกลยเป็นกรรมกรินด้วยกันไปอีกนะเอ้วเถอะสุรักกูกรักเหมือนกันเอามาให้กูนะไม่มีกรรมการเพราะไม่มีคำคำสอน เพราะมัมีอย่างอายสบบาทไม่มีความกลัวต่อบาทเป็นคนเคยได้ยินได้ฟังไวมากเป็นคนมีความเพียรเป็นคนมีสติมั่นคงเป็นคนมีปัญญาจะปรึกษาสิ่งใดใครก็ใครก็ไม่ปรึกษาเพื่อจะเบียดเบีนตนและผู้อื่นจะพูดสิ่งใดใครก็ใครก็ไม่พูดเพื่อจะเบียดเบีนตนและผู้อื่นจะทําสิ่งใดใครก็ใครก็ไม่ทําเพื่อจะเบียดเป็นตนและผู้อื่นจะคิดอะไรก็ไม่คิดเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่น มีความเห็นชอบมีเห็นว่าทำดีได้ดีใจเป็นชําช่วยด้ช่วเป็นต้นใคยาวไป น, น่งสว่างบอกไม่ได้เนี่ยหูวจักขาวัดขาว่าเป็นเน่ยอันรู้หจักขาวัดขาว่าอะมันอุกไล่เนยหูวจักว่าปฏิบัติเป็ยนอันส้มมะม่าปฏิบัติเนี่ยนะมันเป็นจะอุกตับอยูน่นะอันส้มหูวจักขาวัดขาว่าอะไรมันไถ่แ้่ฟังมนถูกแน่คนเห่าลงมาล้งกันว่นเป็นปัญหาเย เน่าายวมแมกไกะเกษเนี่ะมันวัดความเห่าะนะภาวนาด่านภาวนามันไม่หลายกัตริย์เส้นห้าเส้นห้าเป็นศส้นของคารวาสะเฉพาะเส้นห้าไม่ได้เฉพาะคารวะไม่ไม่ได้ ป, ดปฏิบัติมากมีเพียงเส้นห้าพอแล้วเมื่อมีเพียงเส้นห้าประจำตัวพอแล้วแล้วต้องกล่าวถึงเส้นสองร้อศเก็ มันเปิดประตูไปแล้วเปิดประตูคนนี้ผ่านแล้วมีชิณาเปิดประตูทางใจไปทางดีแล้วเปิดประตูความประพฤติแล้วปิดความประพฤติที่ชั่วแล้วทํามีชิณาการปฏิบนะัติในข้าอาชินาเล่นไปแล้วเวนอันยากยากมันละไปแล้วเหตุฉะนั้นผู้มีชิณาบริวูรณ์ท่านจึงทรงบัญญัติว่าเป็นพระโสดาบันและไม่เลื่อมใสในคําสอนอื่นๆ เรื่องใสในคําสอนพระพุทธศาสนาผูกขาดไม่สงสัยว่าคําสอนพระพุทธศาสนาจะต่ําต้อยกว่าคําสอนใดๆทางควงมไร้ร ก, การเชื่อพระพุทธศาสนามันทำไม่ได้บังคับที่มันบังคับอยู่นี่ก็เพราะมันไปเรื่องใสนัทธินั่นจะดีกว่านันทธิ์นี่จะดีกว่ามันก็เลยเกิดให้ความสงสัยในพระพุทธศาสนาทําไมมันจึงสงสัยเพราะมันยังพิจารณาคุณค่าพระพุทธศาสนายัางไม่แตก ผู้เห็นอบายยมุกเป็นหอกเป็นง่าถือเป็นทางชิบหายหน้าเดียวดิ่งถอนไม่ออกคนนั่นก็เว็นอบายยมุกได้ถ้าบังคับมันถ้ามันไม่เห็นชัดมันบังคับมันเดี๋ยวก็ขบวัตตนคืนเพราะบังคับมันมันต้องก็ขบวเจ้าของคืนถ้าเห็นดิ่งลงไปทางว่ามันชิบหายดิ่งทางเดียวแล้วมันถอนไม่ออกมันก็ไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดนั่นมันจะหนักใจทําไมมันไม่เสียดายอยากล่วงละเมิด พรมันเห็นดิ่งลงไปว่ามันชีพหายที่มันไม่เห็นดิ่งลงไปทางชีบหายนั่นเองมันมันเว้นไม่ได้ปาราติบัติอธินาการเวมุสาสุราของมันกันเห็นว่าเป็นไผ่เป็นเวรนล้วนๆชีลังโลเกอนุตตะโรเห็นว่าศีลอันนี้เป็นเยี่ยมในโลกจริงๆชีเรนะโพขสัมปทาเห็นว่าโพ่อขับช่างหลายช่างที่เป็นสังหาที่มารับช่างที่เป็นอสังหาที่มารับจะอยู่ได้ก็เพราะศีล จะมาปาัสจากรเมไทยก็เพราะเสียงถ้ามันเห็นอย่างนั้นชัดก็มันก็ไม่เสียใจอย่างร่วงระเมิดศีลถ้ามันเห็นชัดถ้าไมไม่เห็นชัดแล้วก็ปีนเจ้าของเงินนั่นเองลาบากเงินนั่นเองถือเป็นของนางอีกด้วยนั่งการจองเวรอาฆ่าจองเวรหูใจเจ็บก็ดีมึงเถอะมึงเถอะกูจะทํามึงอย่างนั้นกูจะทํามึงอย่างนี้นันน่นไม่ใช่ภูมิปภูมิดาวัน ภูมิปัวดาวันขาดไปแล้วไม่จองเวรท่านผู้ใดเลยถึงจะมีกิเลสอยู่ก็ไม่ถึงกับจองเวรถึงจะมีกิเลสอยู่ก็ไม่ถึงกับลงมือรักแร้ฆ่าถึงจะมีกิเลสอยู่ก็ไม่ถึงกับจะพูดโกธถึงมีกิเลสอยู่ก็ไม่ถึงกับจะประพฤติผิดในการถึงมีกิเลสอยู่ก็ไม่ถึงกับจะเสียดายดื่มสุดาถ้ายังเสียดายดื่มโุดาอยู่นะ ก็เพราะยังไม่จิตยังยังไม่ถึงโลกุตระก็จําเป็นนะเพราะจำมุนีนาวัตติโลก้ตํในโลกีผูกพันอยู่ยังสร้างบา ร, รมีตํโตอ ย, อยู่ก็จําเป็นไม่ให้ไปได้ถ้าบา ร, รมีแก่กล้ามาแล้วบา ร, รมีแก่กล้าก็ดีอ่อนก็ดีนั่นคอยให้แก่ก้านอนคอยให้แก่กล้าก็ไมไ่ต้องอบรมอยู่ทุกวันทุกคืนทุกขณะใจ ไว้เควันกรตันอยูอยู่ทุกใจต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธธรรมสงฆ์อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่อื่นน้อมลงมาที่ใจเลยอธิษฐานไวที่ใจเลยอธิษฐานในปารมีสัมปโนสั จ, จปรารมีสัมปโนตั้งสัตว์และอธิษฐานไว้ในใจเลยถึงแม้เราลืมไปก็ไม่เป็นปนัญหาเพราะเราตั้งอธิษฐานและตั้งสัตว์ไว้แล้วยังกินจี่รัตัางโลเกจักษณะอันใดในโลกนี้ มิจติุุุุธุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุลุุุุุุุุุุุุุุุุุุะุุุุุุุุุุุพระุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุพุุุุุมุระสงุุุุุุุรณะของข้าพุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ เห็นพระเดชพระคุณชัดในธรรมะของพระองค์ผู้เชื่อธรรมก็คือเชื่อพระพุทธพระธรรมสงฆ์นั่นเองผู้เชื่อธรรมก็คือเชื่อตนที่ทาดีนั่นเองผู้ไม่เชื่อธรรมก็คือไม่เชื่อตนที่ทําดีนั่นเองก็คือไม่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองก็ผู้ก็คือผู้ที่ไม่มีที่พึ่งนั่นเองตกหน้าไม่มีที่พึ่ง มันเป็นไม้ลอยน้ําเป็นนุ่นปลิวไปตามลงผู้ไม่ถึงพระพุทธธรรมพระสงค์ไม่มีที่พึ่งทางใจเมื่อไม่มีที่พึ่งทางใจแล้วอันอื่นก็ไม่มีที่พึ่งที่พึ่งทางใจก็คือพระพุทธธรรมพระสงค์เท่านั้นก็คือคุณงามความดีของเราที่ทําเท่านั้นที่พึ่งทางใจนาถะกัลยธรรมคือธรรมที่พึ่งสิบอย่างหนึ่งศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อย สองหิริและอายต่อบาปทษจริตสามอดตปะสะรุ่งกลัวต่อบาปทุจริตสี่พาหูสัจจะเป็นผู้เคยได้เรียนได้ฟังและจำทรงศิลศรปาวิทยามากห้าตัญญานามิตตาความเป็นผู้มีเพื่อนอันดีงามหกสวจัตตาเป็นผู้วาง่ายสอนง่ายกิงกรณีเยสุทกกตา ความขยันเอาใจใส่ในจิตทนะของหมู่เพื่อนเท่าที่ควรธรรมกามตาความรักใคร่ในทางที่ชอบวิริยะเพียนเพื่อจะรักความชั่วประพฤติความดีแปดสันโดษยินดีด้วยผ้านุ่งผ้าห่มอาหารที่นอนที่นั่งและยารักษาไข้ตามมีตามได้เก้า 9. สติจำตาที่ทำและคำที่พูดแล้วแม่นานได้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 มันก็เห็นข่าวขาวอยู่ไหมมีอะไรปิด บ, บังเลยข่าวในโลกอนุมารขาวนั่นโลกออกจากพระพุทธศาสนาจากออกจากพระพุทธศาสนาปีนเกลียวออกจากพระพุทธศาสนาชาวโลกมักชอบมักพูดว่าฝนไม่ตกเพราะทําลายแม่น้ําลําทางและป่าไม้ อั น, นั้นมันเป็นปลายเหตุของมันจริงอยู่แต่ก็ไม่จริงพระพุทธศาสนาบอกว่ามนุษย์ทั้งหลายอินเกลียวพระพุทธศาสนามีแต่บาปคูณบาปอยู่ในดวงใจของแต่ละท่านแต่ละคนไม่มีบุญคูณบุ ญ, บญไม่มีความดีคูณความคูณความดีของแต่ละท่านแต่ละคนอยู่ที่ดวงใจเหตุนั้นเทวดาอากาศถาชะภูมิทาก็ดี เทวดาทั้งใจโลกธาตุไม่นิยมไม่อนุมมอนมโมทนาฝนก็ไม่ตกเพราะขาดทานวัดศีรวัดภาวานาวัดเพราะมีข้อวัดทางโรคทางโกดทางหลงมากกว่าเพราะมีแต่ไฟมากกว่าไม่มีน้ำเหตุฉะนั้นมันจึงรอดท่านพูดอย่างนั้นพระบรมศาสดาชาคราวใดโลกหนักในราคะ คราวนั้นน้ำมักจะท่วมคราวใดโลคหนักในโทสัคราวนั้ น, น, น, น, นไฟจะไหม้คราวใดโลคหนักในโมหะลมจะพัดบ้านพัดเดอนปลิวไปก็โมลาามาศาสตรลยนะขาววัตถุไฟนอกแต่มันก็หนักทั้งราคะโทสะโมหะนั่นเองทำไมจึงมีราคะโทสัโมหะ พระมีสิ่งที่จะพยายามละอยู่ทำไมจึงมีมืดเพราะมีสว่างแก้อยู่นะทำไมจึงมีโง่เพราะมีฉลาดแก้อยู่ทำไมจึงมีเกิดแก่แก้ตายเพราะมีธรรมอันไม่เกิดไม่แก่ได้เก็บไม่ตายอยู่แก้อยู่แล้วจะขลองตัวจะคลองไว้เพราต้องจองของมัไม่สับมันไม่สียเจะคลองมไม่สั์ ตั้งสัดไว้ในกรรมฐานอันไหนกับต้องพี่ยัหนหาอันนึ้งตั้งสัดไว้ในกรรมฐานในเรื่อพอพระพุทธพุธทธพุธทธในเรื่องที่หมดาราดโดนเอื้อนหมดไม่เลยจัว จ, จะของในตำหนักกรร่ฐานนี่ต้องเอาหายไมเห็นคุณในสันนั่นสั ก, ก่อนไห ม, ม, หหมเห็นพนาพุทธคุทนพุธทธในนั้น เห็นคุณในการภาวนาสันนินคิดมันสิยร่องไฟซําไหลให้มันเห็นจะกอนไหมอออันนี้อันนี้เป็นมาตาเหลียงเห็นไฟวันไหนเฮือกแลนไสหม่ำแบบไงหรอเออมันยากโคดบ่อยนั่งรงหรอพ่อนางรงแล้วหระอยากขอไปเื่อพามอบคัล่าลวดมันกับอะไรแล้วพ่อนางรงแล้วออยาก จิตใจนึกอยากไปแสดงปฏิหารหอไปเดินจูบลมทั้งอากาศมันกับอะไรแล้วเนี่ยนพอาะสันโดษสันจุดเทประมังฉนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างนี้สันโดษเนี่ยกับประธานที่ห้าตังไว้ให้มันเห็นคุณในสนามสกอนกับประธานอะไรมันดีมัมันบัดีกับพรอเข้าจับอันนี้ก็ว่างอันนี้จับอันนั่งนก็ว่างนไปเห็ดงานด้วยมัดมือจับอันนี้ว่างอันนี้จับอันนี้ว่างนี่รวดเรวจักกันว่าอะไรจักกันไนว่า ทำงานจบจดจับจับจดจด่าเลยเห็ดอันนี้มันอะไรไปเห็ดนั่นเห็ดนั่นมันอเห็ดนั่นตะพื้ตะพื้ไปคืองัวเขาไปเลี้ยงมันตัวแดมันดูขค้างจอยๆอเขาแขนขอตัวนีใหญ่เห็เพ่งเลงเพ่งเลัดหยาแล้วขุเพ่งเเพ่งเล่กุัดขุดเดกเพ่ล่งเลแล้วก็สวงบกบกซะหรออกค์กรเขาเก่งซะหรอแล้ว อันนี้เหรอคือการละต้องอันเดียวกรรมฐานอันเดียวแหละเวลาเข้าพี่ย่านากรรมฐานอันนั้าให้เข้าใจว่ากรรมฐานทั้งหลายมาร่วมอยู่ในกรรมฐานอันนั้นแล้วว่าอย่างกรรมฐานในพระตรโลกธาตุมาร่วมอยู่วันเข้าพี่ยานาในว่าสักกรรมฐานไหนมาร่วมอยู่ในพุทโธในว่าักกำหนดรมหายใจเขาออกพร้อมแล้วก็พุทโธก็ได้อยู่กรรมฐานไหนมาร่วมอยู่วันพี่ย่าาโค่นตายว่าสักให้พี่ย่านาโค่นตายกรรมฐานไหนมาร่วมอยู่ บ่ร่มห้ยใจเขาออกนะว่เอาจะร่มห้ยใจเขาออกท่านเนี้ยอันอื่นมานถางมาดอกมันดึงมากรอกท่นแม่เล็กดีมันดึงม า, าเมกเลยเข้านักพราวานาอารมณ์ของพระวานาบนไหนกับมา ห, าห า, ห า, ห า, ห า, หมาเข้าอ่ะล่ะว่าจะเข้านักให้กรรมฐานที่เข้าตังไว้ตังกรรมฐานด้วยไนอาจารย์องค์หนึ่งนึกคิดองค์หนึ่งพื้นฐ า, านว่าพระวานาบันทันเดียวมันมานไปเทบันทัน นึกแค่รนบผู้นั้นรับเอาอ น, นันมันจังมีรัตม่ไปใช้บุญนนต์อีก่ร้ว่าบนันดีว่าจมั่มไปใช้บุญนันอ์อีกกูเอาวัานวัตขึ้นนั่นเบ็บมาตัวของตัวจะของของมันไม่ซัในจะของจัดจังไม่เอามาตังสัดจังความสั์เป็นคําหัวใจอธิษฐานนะปารณีสัมปโนอธิษฐานไว้อธิษฐานธรรมคือธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจสิญาณ หนึ่งปัญญารอบรูปสิ่งที่ผล ร, รูปสองสัจจะความจริงใจคือบุคคลสิ่งใดเขาต้อให้ได้จริงสามจาระสลักสิ่งที่เป็นค่าสืบแก่ความจริงใจสี่วัฏวะสงบใจจากสิ่งที่เป็นค่าสืบแก่ความสงบอิทธิบาทคือคุณเครื่องให้สําเร็จความประสงค์สุยาหนึ่งชั้นทะพอใจรักใคร่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้สองวิทยะเพี้ยมนมาประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สาม จ, จิตจะเอาใจฟักใยในกรรมฐานที่ตั้งไว้สี่วิมังสามันติตรองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้ คุณสี่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจชักนําบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสมซึ่งเหมือนแวววิสัยศรัทธาความเชื่อในกรมนนมน ร, กนกรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพียนมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติเลิกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้นั่นกับพิ่าน้าจะของเกาเหะมันจะเกิดเองนั่นอยากเห็นยากไรก็ต้องให้เห็นร่มหายใจเขาออกเป็นไหวแต่ว่ต้องการเห็น กของมันมีอยู่แนวเข้านี่ยมันไม่มีแนวเข้าของแม่ยันบอกว่ายืมร่มเจ้ามากำหนดแด่ยืมร่มรมหายใจเขาออกก็ขาวไม่มีของแม่นบอสักหน่อยขึ้นหน้าเอามาสรงแฉเอาลมหายใจเขาออกไปจะโดนนะครับของก็บบริวารอยู่เขากัมีอิสระอยู่แลกยื่มยืมใจเจ้าพี่น้องมากำหนดแด่ยืมสติเจ้าพี่น้องมาแน่บริวารในองเข้าไม่มีอยู่เขาทําให้เกิดแต้ไม่ได้อ่ได้ยืมเพราะไหน่มีอิสระอยู่แล้ว ทำคว่ำดีก็มีอิสระอยอยะอแยะว่าจร้องทุนง่ายนี่ครบหรือหล่ะมนุษย์สมบัตินีมห่ะขาสองแขนสองหัวหนึ่งเมื่อล่ะไม่เป็นมาอะไเสียชีวิตผิดมนุษย์อะเป็นมนุษย์สมบัติอ่ะหนักสามารถที่ทาได้ทีไ่ไหนมันเหลือสามารถพระพุทธเจ้า ว, ว่ได้เอามาสอนคันว่ามันเหลือสามารถพระพุทธเจ้นนาอออเอามาสอนนอ่ะกะเถากับพระพุทธเจ้าเป็นคนโงูพระพุทธเจ้าหนึ่งงูมากมุ้งเี่บุกรุบุกคนผูดอะไรเพอาะที่ทำได้ก็เอามาสอนกะเ่ากับเขาเข้าไปก้าวตัวกันนะัก นั่นั hmm. ่ไม่รู้บอกนั่นเออเออชินแปดดิชิบแปดกันดิกะบง้ามกันนะกระบอกง่ามกันนะมอจับต้องกายเขากระบอกบอพ่อเฮ็ยชิก็ได้ ถือว่าขีดินตอกีดินเอาให้กันมาสัารพิษตลอกันแล้วถือว่าขีดินตอกขีดิน เ, เอาให้เขาเอามาให้กับมันธาดินผักเอานี่กับมันธาดินโค่นพ้นกับมันธา ด, ดินโคนนนดด่นพ้กัมันธาดินธานน้ำธาด้อยธาดลรอบเอาให้กันนะไม่คิดเป็นผู้บังคับว่าไงกันท่าพี่ยมัมหน้าท่านกับหาเพียังอกแต่ห่างกับพวกงามม า, า, ออ า, ไ, มา ไ, ไ, ได้ไงอันละเลียเท่านี้ยมันแอบกินไว้เถอะด้แอบกินทับไปเจอได้ ผมว่าหงออะ ไ, งไรกเลมันไหวแต่ได้มันแอบจินพัดไปเดียวได้อว่างมาตะกรอ น, นไครเหรอเอออว่างมาหั น, นเาาารนาหันก็แล้วโอ้เออเข้าใจเข้าใเขาเปลี่ยนว่าเขาโมจจักเนาะมีกาลภเป็ขอสสำพัญเนานะตะเวนใบหนึ่งองคุรี่กับเพดเทาะซิคขาวดขอนี่ เป็นชิคาบทที่มเลตนาเชิคาบตวิการพ่อเป็นชิคาบตท่มน่เกตนาสามารถลวงไลยปากที่ห้าสันอาหารร่างทำไมนเด ฟ, ฟัน่นยังหามีกินอาหารอยู่หะเขำไม่กินอาหารไม่กินอาหารอย่าหนแต่ ว, ว่ายไปแล้วเข้าไปตกินกินหน้ามันไหลล่องหัมันกับพิษโ ว, วิกาละพ่นัจจคีม้มหาโมห้คโนมโมห้คับลาทำเพลง การเท้ายินดีนะครับราทําเพลงเสียงของนี้กระรางพลอยมาล่าหามว่าหาดวมดอกไม้การเท้าฟอกสมูร์กรณีข้อท่าไนีก็ดีแพน้นอมใช้ว่าท่าเพื่อกันแดดฝนจะสุขท่าเพื่อสวย ง, งามการเท้าวหวังเพื่อสวย ง, งามกระพิดเสียงของนี่วัชจาหามว่หายนั่งสูงเตียงแปดนิยวพระชกศรถกับ ซิฟเนี่ยสร้างสร้างไม่กับปสามกัเบียกั๊ปสองอนุกัเบียกไม่ไม่แต่แม่แครเไม่ไม่แต่แม่แคร่ทั้งบนนั่งแต้ว่าเตียงทามันมีเขาทำมีมำมมแขนเนี่ยยังเพียงเขาเป็นเรืร่องคามต่างเพื่ารตว่าหายนันสูงรมาดนถมาด น, นนังเศก ขม่าได้เลยขม่าได้เลย ม, ม่มา ไ, ได้แต่ละคณะขม่แต่น่ค่ะเนี่ยงอนงอนของนักพนันของนักพนันกะพิษชิ้นขอนี่พวกเขาถือเคงขมมหอมผันว่นสามชี้นแปดจะสำหรับพระวงเงี้ยผันว่อนบ่าจะใสเป็นยังจังหาม วิกาลาพ่อเพราะมันเสีมายุ่งหนึ่งจะกินจะทายมันสีบเพาปฏิบัติเิ่นธํามันเลยหายครับเพราะเฉสันโดษมากน้อยไปอีกเฉพาะสีบเพาะให้เป็นกรรมฐานใส่เงาหร้อเป่าเนาะเบิ้งโซนัทธัตเบิ้งโซนัทธัตตหางเพิ่นกับเขามันกับพิดครับพาเบิ้งเป็นปงถ้ำช้างเวดว่าพิ ถ้าเป็เพื่อนกับเขาเห็นเขาขากก็จะขาดของเขายังนเขาแก่ก็จะแก่ของเขากพลิดเนี่ยอะไรแบเบิ้งผมทําสังเวชวัคผิดแต่ตั้งไปเบิ้งกับพิดอีกล่ะตั้งไปเบิ้งในโรงของเขาพิษอีกล่ะถ้าอยู่ในวัดได้ว่ า, ว า, าของเขากันคนี้เป็นนิกจวัดกับพิดคือกันมันเป็นรางข้าวมังข้ากับวัคติดดอกมอรัํากันือิดกันความว่าหายพิษสุไปเบิ้งมือขับมือรั่ม ถ้าเขาเอามาในวัดนะว่ามันเกิดขึ้นในวัดนะว่าเนะี่ยเลยวิสัยแล้วก็ขอจงพิ่นอนหนาเอ้ถ้าท่องเที่ยวในวัดตาท่องสารดวงสิละชีมาดีใจเสียใจโยกศีมาผ่อนมาล่ามาดีใจเสียใจโยงศี่แล้วะแน่นเรื่องกระเพาะหิตนะถ้จอยากให้เกิดเรื่อยเถิดเปนมาเั้นเขาขาเขาแก่กันในทศราษฎร์เสียทำนิสานนิภวิบโยกสีมาขามาแก่กันนั่นคเออ เห็นเขาซกม่อยเนี่ยเชื่ว่าท้าทัดมันมีผู้ใดเพื่อไผ่ไผนะกันหรือนะกษณะกษณะกิเลสหรืออะไันนึกไปยังสีกับ่ได้ผิดเด้อแล้วพู้นึกไปยังสีมันกับว่ใช่ราจัเวรส่อว่าไมเลยก็คิดวนะ่าเนี่ยเนื้นนนอผดเพงเงเพะว่ามันเงือกโตน้ำเขาม่เข้าวัดถึงแล้วท่านเทียบสินคำชัดกิเลสยางงาม สามารธิย่างกางปัญญาย่างละเอียดพระสวดาบาลบวสามารถล่วงละเมิดเนี่ยเจา้าของบวสามารถล่วงระเมิดถัวเจ้าของง่ามปาัญญกะชาดีวิเศษปนญญกะชาให้ทัพย์เจริญทรัพย์แผ่นดินให้ลวงระเมิดถัวเจ้าทซาเนียมากเลยครัให้เรื่องลวงระเมิดเนี่ยเจ้าท่าเขาบอกว่าเอาเลยพระสวัสดิ์ถือเป็นบาปเป็นกรรมนี่ว่าเสหลายอย่างลวงนักกรนี้สําคัญมาก มันขาดการเมี่ไม่ใช่กานเลยเสมอนีิหัวไผ่เมียมันไวกจคำว่าไรเลยไปตลาดด่าเบิดจักขืนไปรงแร้วเหมือรือไปไซบูมัวกับมาเรียบร้อยแล้วมันเป็นเอาได้เสมอหนิสารพัดเด้หลวปู่มาหาพันวาสงการหมาพันาเน่ยพันวาหลวปู่มาขับัวสงการหมาแค่ยังมีเนี่ยเบียเก้าอันนี้มันบ่มีันสงการมนุษย์บ่มีพัน ท่าห้ามันยังไข่ก็ท่าเชียงใหม่ไปเก่งป่ะนี่โรกเอ็มันม่จากไสมันก็ม่จากสงการมาเหรออย่าบอกนะท่นนั่นไงเถ้ามาไปใช้แห่งเห็นคุตคาคำสอนพระพุทธเจ้าแมื่อนนีตัดรัดไปวัดพระพุทธเจ้ามันไม่จากไสมันก็ไม่จากราคะที่ห่างขาฟันมันแทงกันมจากใคก็มันก็มจากภษาที่ห่าอ่าว่าไรอันหลงมันเป็นกองทัพยังกองโมหัน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 โมหะอันไห้เสยม า, นะมนมญญานสมานะมันก็มีกับปัญญาตอนเสีนะมาสนะมันอั น, นโมหะนั่นมันเป็นคำภาษาบาลีแต่เป็นคำไทยฮะวะ่าความงโลปัญญาเสิยไปชนะความงโทุศะความเมตตาสิายไปชนะแต่หางพ่อบรรเทาซึว่าพ่อเสียนชนะเลยกับปัญญาเพื่อพวกผู้จิตละลาราคะก่อสองพี่เจ้าอาุรรพ์ จึงสิบเบาลงเพราะอาจารย์จวนเพนลา่าคาลาคาจัดเอากระโลกมาควายมาแขนข้อเดินอย่งกลมพล้องเบยงเบ่ ง, ง, ง, งไปทมน้ำมาไขช้พร้อมก็ปล่อยกับมามันกันแน่จะอุบายเขาไปสีทรมานเจ้าของดอกเว่ยของอันนี้ก็ล้ อุบายลบอุบายโกดอุบายหลงมันกัยั่งเห็ดเป็นอุบายศีละมันละบ่ได้ศิวะตัวนี้่อหน้าไห่มันกับมัพมันกับว่าให้กับพร้อมกันมาท่าลกโกดลบก็ไม่พูดอะไรเสีอเส้นบาท่าศิษยเห็นโทษไปยังจังว่เห็นโทษเลยขันยังเห็นคุณอยู่มันก็ละบ่ได้ขันยังเห็นเป็นจะโทษล้วนๆอ่ะมันกับเว้นได้ศิวาได้บ้านนี้นะบันสําคัญมันก็บว่าได้ทํำชาทําท่าง่ากวาเว้ คือไฟเห็นถอดว่ามันเป็นของห่อนจัดๆเข้าสีวากูชีวาเข้านะจะไปจับไฟชีวาสั่งบอก่าเหลียวถึงบอกจะกลัน hmm. ว่า <keluar> ม <ga> ันเห็นโออันนั้นรวนมันกระมันกระถอนเองมันฉะมันเรเห็นถทษมันเก่ายูงห่าล่ะบอจ้ะพูดมันมีซําไหนถอดไม่ซําไหนหางห้องจับมันชิงไรมันมีมัน มีคุณะมันกลับมาเป็นโทษเช่นนั้นพระพุทธเจ้าบว่าบัญญัติเราม่เป็นอคุณนเช่นนั้นมันบัญญัติเราเป็นโทษสิ่งหนที่มันเกิดดับพระพุทธเจ้าว่าบัญญัติเราเป็นของเทียงและบ่เนี่ยบ่บัญญัติเราเป็นของทุกข์หรือมีเวียนญาณหรไม่มีวียนญาณก็ต่างสิ่งใดเกิดดับเป็นเช่งนั้นก็ต้องบ่เทียงก็ต้องเป็นทุกข์เ่งนั้นสทูตัวหรือบ่ดูตัวก็ตางหรมีหัวใจหรือไม่หัวใจก็ต่างพระพุทธเจ้าบัญญัติเงกันรวดมีการทดสอบนะครับสิ่งใดไม่เท สิ่งใดบรรทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนเราเขาท่านผู้อื่นถ้าหาว่าเป็นตัวตนเราเขาท่านผู้อื่นมันจะทุกทําไมเพราะไม่ต้องการทุกมันมมันขัดต่อตนเนลยมันขัดต่ออัตตาขัดต่อตนตนว่าจะทุกเลยนั่นท่านทํานสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่หลายะถ้าหไม่ได้หน่อยสิ่งใดที่ส่งเสริมราคะให้จัดขึ้นสิ่งใดส่งที่ส่งเสริมโทษสะให้จัดขึ้นสิ่งใดส่งเสริม ตงเสริมโมหะให้จัดเกินเสีงนักว่ามันข้าสอนพระพุทธเจ้าทิ่งไหนหนักทําราคะให้เบาลงหรือให้หามเบสหามล่อได้มันเฉพาขาดกระซ้างหรือขาดไปก็ดีหรือเ่าะขาดก็ดีดีทําไม่หามเบสหามล่อทิ่งนั่นก็เป็นข้ามสอนพระพุทธเจ้ามีการทดสอบอยู่ทำเราได้เป็นไปเพราะความคลายกําหนังหนึง่งเป็นไปเพราะความไม่ประกอบทุกหนึ่งเป็นไปเพราะความไม่สะสมกองกิเลสหนึง่ง เป็นไปเพื่ความอยากอนนอยคือสนโดษยินดีแล้วององมีอยู่เป็นไปเพราอความเพียรหนึ่งเป็นไปเพราอความไม่เกียจข้านหน่งเป็นไปเพราอควา ม, มเรียบงง่ายทํา่ห น, หนอนนั้นซึ่งรู้ว่าเป็นทำเป็นในไรเป็นทำสั่งสอนของพระบรมศาสดาหน้ามาทราบวันดีโปรดนะนี่มากราบสุนพระองค์เจ้าเลยทราบของพระองค์เจ้ามันก็นไม่หลายโปรดเถ้าเนี่ยผู้เอาไมายาม่ายอมมาแส ง, งมาปลอมใส ว่ารับมาจากาาาพระอนุนพระพุทธเจ้าเถิดที่มหาบนุนีเนี่ยที่เอาไหนเป็นกำนดดหนดได้มาหน่อยเนี่ยทีนี้มันเพิ่มล่าขาให้จัดขึ้นเพิ่มโทษสาให้จัดขึ้นผมว่าให้จัดขึ้นก็่ทง่ ง, งนั่นกรรมยนข้าสอนพุทธเจ้าแล้ ว, ๆๆวนะนุน่งน้อยโฮมน้อยนี่มันมันล่าขะจัดขึ้นบนะหน้างามจักรวาลเลยเงินยึดเนว่ยเอามาใส่ประเทศไทยมันมาสมควง พ่อเอานัา่งง้ามจักราวาลมากเล้ว่าท่านโดดคากัเ น, นด้แหละนักขาสร้องา ง, งามง่ามโมซ่านง่ า, งงามเห็นบอกเ <c oughs> สียเปียบว่าอะไประเทศเนาะเสียเปียบบ่าเสียเปียบประเื้อื่นเนาะยังมาทหารได้อย่งเนี้ยเหรอพี่ว่าเมื่ไดรเลยเหรอแล้วก็พวกประชาชนก็ได้อย่งเนี้นย สนเดียบเมา็นลาาก็เขอะไรย่งมาซาซนเขาอะไรอย่างสังขละเขาอะไรอย่งแกมีจะเสียเปรียบประเทศอื่นแมงหมดนะมันได้อยงั้นในประเทศเท่าขาตายมัดประเทศนี่เขาประเทได้อย่างหรว่าเ่น่ะมีจะขายหน้าเจ้าของน่ะนะนะมามัดแทกโม่ห้องไปทาลายให้มันมัดทุกประเทศเท่าไหนเขาจะได้อย่งอยงเขาก็มีจะอาบ่าท่นเนะี่รู้ได้นี่เอาบ้นนี้เอามันมันแมงนี่เขาได้คน เครียดเหี้ยเมียาเจอถวยที่มัดนึกเป็นปัญหาใหม่มานั่งมันได้ยังสั่อันเดียวกันแล้วโล่โท่สวโมโหคำั้นมันเป็นโทษเพราะที่เจ้าสะสอนให้เว้นเียมมันก็เป็นโทษตัวพ้นห้ามโได้ดีมาจะได้ฟ้องเนีมันเกิดมาเป็นพระหานหลดของแม่นม้ก็มาปฏิบัติใหม่บัดทั่วสัวมันก็มาจากคนดี ขนดีมันก็มาจากคนสว่างอยู่ว่างเลพระพุทธเจ้าก็มาจากผู้ทุ้ส้นพระสวสดา awan ก็มาจากผูุ้้งส้นพระสักราข้ามิ่งก็มาจากพระสวัสดิ awan พระอานาข้ามิ่งก็มาจากพระสักราข้ามี่งพระอรหันต์ก็มาจากพระอานาขามี่งพระพุทเจกก็ม่เป็นพิเศษตั้งหากพระธมามาพระพุทธเจ้าเป็นพิเศษตั้งหากก็มาจากกุศลผลบุญที่สร้างวาถนานเองนักคันหักค้อมดีก็คือหักตน ขันหักขั้มข้อมตัวก็เคื่อเบียดเบียนใจใจตนขันสนใจนั่นทั้งปฏิบัติละชัวทั้งดีก็อยก ว, ว่าสนใจปฏิบัติตนคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงทําเจิตให้บันเทอในการละชัวทําดีเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย่เพระนอร์ย่อยลงมาข้อมดีแบ่งออกเป็นสองดีในทั้งโลกขี่ดีในทั้งโลกอัตละดีในทั้งโลกกตลัลกกตละมีขอบเขต มีในข้างโลกกตละก็คือพระสวดาวันทรัพย์สินที่ได้มาทรัพย์สินของพระสดาวันเป็นทรัพย์สินทเทไรมาในข้างที่สอบบ่ได้เบียดเบียนตนและผู้อื่นนั่งก็นั่นเอาเป็นตำนาณบ่ได้นั่นทรัพย์สินไพน์นอกวัตถุนิยมูอ่ะอุดมคติก็คือกันลมขัดติอะไรทรับไพน์ไม่เว้นจากคาทรัพย์แล้วก็เป็นทรับคุ้มหนึ่งเลยเวนจากทรับทรัพย์ประพฤติภในการก็เป็นทรับจระเข้มจระเข่งานเว้นจากโมเสวาะ แล้ดื่มสซาไม่ได้แต่เป็นทรัพย์เจ้าขุมเล้าขุ่มหลานักเรียกว่าทัพยาไในได้สีทรัพย์สมาธิทัพย์คือตั้งมันในสีรักษาสีนี่สมาธิบ่สุดกษี้าตุนสติแล้วึถึงสีของตนนี่ให้่านุี่สมาธิบ่สัก็จากข้านุสติแล้วท่าทีตนเนีบริจาคแล้วลึกําลังบริจาคด้วยนี่ครับนักข้าแล้ลึกถึงคุณพระพุทธธรรมสมเป็นสมาธิบ่สักกับผู้่านุนสติสมาธาตุนสติสั่งข้าวนสติอย่างนี้ และลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มีในพระองค์และทรงเกือ้อกูลแก่ผู้อื่นสองเมตตาแผ่เมตตาจิตที่จะให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขตัวหน้าสามอสุภะพิจารณานาร่างกายตนและผู้อื่นได้เห็นเป็นเมตงามสี่มานะสตินึกถึงความตายจะมาถึงตนกรรมฐานสี่อย่างนี้ควรเจริญเป็นมิจพระพุทธเจ้าอารักขกรรมฐานสี่เดี๋ยวว่าอารักขากรรมฐานสี่พุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าที่มีในพระองค์และทรงกร้อกูลแก่ผู้อื่น ร่างเพกเมตตาแผรเมตีจิตคิดอย่ากให้ศัตรูฟอ ง, งเป็นสุขทั่วหน้าสามอสุภะที่การนาร่างกายตนและผู้อื่นในเห็นเปนไม่งามสีมนานาสติในเรื่ถึงความตายจะมาถึงตนกรรมฐานสี่อย่างนี้ควรจเจริญเป็นนิสิตนำพระพุทธเจ้าพลำ้ำข้นเหมืนว่าพระกรรมฐานโจตะวันพระกลับมาหยังอันนี้คำสี่คือกรรมฐานก็มี่ในน้ำหยาดน้ำยิ้มก็มีในคือกันผมขนเล็บปั้นเน่งเนื่าเอ็นกระดูกงวนกับมีแต่กรรมฐานนั่ะ แดงใส่สืสมุดเครื่องจักควไม้กางเสื้อหรอกเขาจะเข้าใจว so like ่ากรรมฐานทั manga, yeah. ้งหลายมาอยู่ใต่น้าพระกรรมฐานกับบ้าแบบไงล่ะเขาเข้าใจว่าพระกรรมฐานประยุทน้ำมหานิกายไม่กับบ้าแบบไงเหมือนกันล่ะค่วมว่าพ่อใจกระพ้าไปเวทนาเกิดเกิดง่ายเล้ขควมพ่อใจเวทนาหน้าเกิดเด้ข่วมว่าพ่อใจกระท่ำให้เวทนาเกิดง่ายออควมพ่อใจแล้วมันกระเริ่มไปน่ะ ก็ไปเห็นน uh, ั <laughs> yeah, ้าไปนั่งฟังร่ำเบิ่งทรลักทุเลาะบอกเหรอไม่รู้หมู่อโตไปนั่งเรียนสาวมากๆคนมันเหงานอนเลยแกบอกนั่นแม่นรู้เขาแก่ไม่ต่ตายไปเห็ดมันก็ฟื้นตัวควบคุมพ่อใจมันเป็น มันอา ย, อยุอันแต่มันพ่อใจเรามันกินไปหยังนี้าบอกนะพวกมาพ่อใจเนี่ยสำคัญใจไปสงแก้วเมื่อแก้วก็เดินหอดเพราะว่าใจไปสงแหมน้อยแก้วแน่ทำก้อนหาพผว่าความสาเร็จอยู่กับความพยายามอย่างนี้เขาพยายามทำเพลิดเขากับสำเร็จต้องกันเขาพยายามข่าข้นมือลักซับประพื้เพลิด้นกาลมืแต่มันห้ผลต่างกันองอนเขาก็ทํำเลยความพอใจเขาคืออะไแต่มันให้ผลต่างกันได้หรือฮะ เมื่อให้ผลจัดจอดขึ้นอว่าเดือดห่อนว่าไงได้หรือทำสมาทานบางอย่างให้ทุกในปัจจุบันและมีทุกเป็นไม่บากต่อไปธรรมสมาทานบางอย่างให้ทุกเป็นในปัจจุบันและมีสุขเป็นไม่บากต่อไปนี่คือไหมก็ม่ใช่การปฏิบัติกะวดตยากหิวเข่าเหยื่อน้ำเนื้อยได้ให้ทุกในปัจจุบันแต่หากไม่สุกเป็นใน่บากต่อไปธรรมสมาทานบางอย่างให้สุขในปัจจุบัน แต่มีทุกข์เปนในไบาปต่อไปให้สุกในปัจจุบันเนาะไฮเนาะไม้กวาดมากินเหล่าถือเป็นของซุกวันห ย, ย, ยิมแยมแทีมใ ส, ส่ซุขตํา้านบาลใจไฮซุกในปัจจุบันโอให้สุกในปัจจุบันเมามาหลายๆอย่เงิ้ยันจะเสียค่าเนี่ยมือรุ่นมาเนาะไฮซุกไม่เป็นไมบาปต่อไปเรอฮะเนี่ยนั่นทำสมาธามาอย่างให้สุขในปัจจุบันและก็มีซุกเป็นไมบาปต่อไป ปัจจุบันถ้าพูดประทับประสงค์กับเรือมันใส่เห็ดไงและก็ได้บุญร้ายเน่ยอนาคตนะทำธรรมทานบางอย่างให้ทุกในปัจจุบันและมีทุกเป็นในบลาต่อไปคือพ่อพ่อใจทําความผิดนี่ภูมาบังคับก็ดีและประทํานําเขาหและเป็นทุกแลก็ให้ทุกเนีนยอนน่าขอดอีกให้ทุกใ น, ใ น, นปใัจจุบันและมีทุกเป็นเนบลาต่อไปให้ทุกในปัจจุบันและมีทุกเป็นเนบลาต่อไป ถือเป็นคล้องซุขการเวียนเวียนเพิ่นบางคนถือเป็นคลองซุกถือเป็นว่าได้เปรียบหรือประเล็นเมียเพิ่นนี่ถือเป็นคล้องซุกเนอนนะหัวเขาถีปประตูเขามากมีจ้วงไรนี่นเหรอเห็นบ่ <c oughs> มีนังซือเพียบอยู่น่ะถือเป็นไม่ซุกในปัจจุบัลาน่ะอันไหนพระพุทธเจ้าห้องบริบดุทธิไหนบอมี่เด้พิการอะไรมาขักเนื้อ หวานมากหวาน่างบอลฟิลขันมันทำบ nt, คนบนาบก็อย่บอลซึมหวานสั่นอร่มยหวานอ่าอลข้าเีกยะเสวดความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงความยินดีในโลกชนะความยินดีในโลกปิดบางความสนลียินดีในธรรมความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงความสนใจในธรรมชนะความสนใจทั้งปวงความเริ่มใสในพระพุทธธรรมประสงค์ชนะความเริคค่มใสทัคค้งปวง ความเกียร์ข้างเป็นเนทิ้งของผู้รักษาพระพุทธเจ้าทีเอาอันใดมารสนะควอมเกียร์ข้ามเอาควอมันจะจะเอาอันใดมารสนะควอมันไม่มีศีลไม่ท่ำก็เอาควอมันมีศีไม่ท่ำจะมารสนะมันนะที่เอาอันใดมารสนะงงงข้อมงอเก่าควอมสลัดมารสนะมันขวอมสลาดในท้างโลกุตรละกาคือคือ น, น, นับเจ้าพระยาดับมั น, น้นไปตั้งควาลงมาพระพุทธเจ้าว่า ก็เอาเป็นกำหนดศีลกนับเอาแต่ศีลพระสวดธรรมอันเป็นต้นไปสมาธิกันับเอาแต่สมาธิของพระสดรัมอันปต้นไปพระรสดธพุทโตขันหนึ่งก็วังเพื่อคนทุกข์ได้ว่ามันชีพุทโหาเล็กหาหาวฏาเบือเลยแต่พุทธโตหาเล็กหาเบื่อหาวัท่าเบอมันเป็นพุทโตโรคปีนั่นมัมันพุทโของพระสวดธรรนท้งหมดทั้งข้อคือกันเทวนาอันไหนก็วังเพื่อคนทุกข์นะว่าทาสงสารในพระสดธรรมว่ามันเฮ็ดเพื่อหลอกกินข้าวต้มเขาขนมเขา วายก็เท่ากันวายสามที่กับพุทธโทษธัมโสังโทท้งโนี่พ้านังมาได้ว้เพื่อหลอกเขาเพื่อแก้ลำคาญงสันีด้คนมีสติห้องคนโยนสั่นหจะเป็นพระสวดาบาับกินเขาก็มาได้เพื่อกินเพื่ออ้วนเพื่อพี่กินเพื่อแก้ลำค้าญควมหิวเพื่อจิปัิวะพวมจันทร์นในพ้นทุกสัในวาราทองฐานส่นนั่พุมพระสดาบาลลับัเป็นขันต้นของวพุทธศาสนาละไปเทศไปถ้ำก็มาวังเพื่อเอาลับเอายอ รั้งเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจหรือให้รังเพื่อให้เป็นประโยชน์เพื่อคนทุกนิมิตตาสงสารชัพพทานางธรรมทานางชีนาติให้อะไรเป็นทางก็ไม่ให้ทําเป็นไม่เท่าให้ทําเป็นทางเลยธรรมสวรรค์ไม่บ น, นสําเร็จด้วยการฟังธรรมธรรมเทศนาไม่บนสัพเพิยจากการแสดงธรรมทิฏฐุจุ ก, กรรมการทำความเห็นให้ตรงาารม้าในมือตัว ท, ทีถามอย่างทาี่สามว่บพุทธฮะ มั่นขึ้นยกับเจ้าของวันนี้ผู้ลังคนกันนั่งนนั่นเธอนางเอาไว้ล่าเธอว่าไหยังผู้ปัญญาบม่เนี่ยว่าผู้ปัญญาไม่เนี่ยพนังเข่าแล้วมันหัวจักรถนั่นจักความหมายกมันจักคข้อหมายกับของก่อคือผู้เข่าลังเล่นเข่าสองปีสามปีเขียนอ่านซื้อก็ยังอ่านบาออกมันขึ้นยกับสตรีปัญญาของฝ่ยของมันอันความไม่มาไว้ วางอกกับพ่อได้ยินเสียงเข่าหูก็สมัยพระหลารแล้วก็นนี่เป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นคับพอแล้วเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นหมายความว่าได้ยินก็เป็นแต่สักว่าได้ยินได้รู้ก็เป็นแต่สักว่าไม่รู้ได้รู้ไม่ต่อไปหาว่าต่อไปหารวบกปดหลงว่าจะถือว่าผู้รู้เป็นเล่าเล่าเป็นผู้รู้ผู้เห็นเป็นเล่าเล่าเป็นผู้เห็นเป็นแต่สักว่าเห็นเป็นแต่สักว่ารู้ เป็นนักศึกากเป็นสักลกเห็นเน่ะคัดพอแล้วแล้วถามโลกไปแล้วเพราะเหตุใดแต่เพราะเหตุเป็นอบรมมาจากศาสตรกรอแล้วในสมาธิมีปัญญาล้วนๆเนี่ยคือพระพ่าหิยะแล่วรบกวนว่าพระเจ้าว่าเทศน์้นน้อยฟังเด้ไเนี่ยเออชอบกำลังวินทบาทอยู่เนี่ยมาเทศกิจออารกมบนะะคนน้อยอยากฟังไไว้มานเที่ยพระองค์กสิตายงา น, นเียขนน้อยกสิตาย ฮะอ๋วายถามเชยเพระองค์งนหล า, น า, นบบายัง้งไม่พระองค์คงจักเนี่ยนี่แจ้งว่าเออว่าท่าทนกบะเนียเป็นท่าสักว่ารู้เป็นท่สักว่าเห็นไดน้วะพระองค์คงจักว่ได้เห็นมจักของคุณอะได้ห่างถามเฉยเพื่อพร ะ, พะทั้งหลายกับฟังรู้ข้บาบินเวาเป็นท่สักว่ารู้เป็นท่าสักว่าเห็นขับคับข้อแลกวไปลึไ ป, ไไปออกไปช่าง น, น่ออกไปช่างในบาไปแล้วเป็นงัวเตะตายโยบายงานเอก ได้เข่าสู้พระ้บ้านพระองค์ก็เลยบิณฑบาตไปหลไปหอดทันโอ้พระเทระองค์นี่มาชินร่ำปานนี่ว่าสักนะมู่ห้าไปสันจักหันแล้วจะพาเอาพระเทระองค์นี่ไปถวายพระเพิ่งพระฤาษีสงสันจังหันแล้วพระองค์เก่าพระฤสงก็เลยกราบทูลพระองค์เก่าเป็นทั้งเจ้ามาพระเทระคนน้อย ก็ฟังเทศท่านแล้วกันย่างมาหันเลยกับออบบานมาหันก็มัดตายขวางข้าโม่เห่าอยู่สมัยเนรลาพระเทละห้ห่วยเพระเขาฟังเทศเขาทำเลสพระหันเรยวะท่านมาหันกับง้ออะไรมาเตะเขาท่านเขาก็เลยตายเขาเขาสูพันอีพานแล้วไอ้ท่านกับอันไหนพันธะศาสตร์ก่อนพันัะเป็นทั้งสั่นก็พันบ่ได้ถามคูบาอาจารย์แต่อีกสัเนียกว่าพันคือสิบประหวังอยากบวชพันคือสิบประหวังอยากบวช พอเป็นคารวะขันพระวังอยากเขาม้าบ้วก็ต้องเส้นล้มปานไม่ไหวได้มากเกินเจ็วันเพราะฐานะของคารวะผสมพระอรหันติประยูรเือนว่าสมพระอรหันต์สมพระอาณาคามีสมฐานะสิประยูรพระสกทาคามีก็สมฐานะสิปยูรตลอดอายุไขัยพระสวสดาวันก็อยู่ได้ตลอดอายุไขส่วนพระอรหันต์ เป็นพระอรหันต์ท่รางคารวะขั้นว่ามาบวชกับว่าสามารถอายุเกินเจ็ดวันก็ต้องเข้าสู่พระในพานพระสุตโทษธนาก็คือกันพระทูตโทษธนาะองค์เก่ากองประเทศกําลังกลัวหลายอยู่พอเสรพระอรหันต์แล้วพระก็ะเจิดลบปานพระสุตโทษธนะกไปเลยเมื่อเสียใจอยากมาบวชอีกเป็นค า, ารวะส่วนพระส่วนพิกษุซามาเนนแล้วแต่เหตุการณ์ พิ่สมะเนยียในพาาระรหันเธออยากอยู่ ไ, ได้เท่าไหร่ตามอายุขของเธอส่นพาาระรหันฆราวาสอยู่อะไรขันว่ามาบวชเพชรธรรมธาตุโยมโยู่กเสีงองอยงวงเงี้ยนองคนรพ้นหรอเนาะอือแล้วก็ไปท่านเนี่ยพ้นพ้นจากฆร า, าวาสพ้นพ้นจากเป็นพาาระรหันขันบวชขมากามาับวัง่าเสียมาเพื่อปฏิวัติเพื่ออารหารันแล้วมันได้พาาระรหัาาานกับฆราวาสยักษ์มาอยู่เห็นงั้นพ้นก็ไปท่านเนี่ยอันผู้พ้นวามากบวชแล้วนะ ผู้ผู้เป็นบยากมีอายุยืนไว้อีกเขาก็ไปนะพระอาณาคามีก่ไ ม, มีลาคขผู้ยิ่งก็ผู้ใช้ผู้ยิยงยย่งก็เป็นพระอรหันต์ผู้ใช้โอ้ผู้ยิ่งก็เป็นพระอาาคามีผู้ใช้ก็เป็นพระอาณาคามีเอาไปขังไว้ในห้หองมัดขึ้นหัวมือเศรกก้ากเขาเห็นยังกันส่วนพระอรหันต์อะแล้วละ แต่สวนพระสวัดาก็ล้วขนกันแล้วคันว่ามันหลูกม่เของเพือนเพ่นกับว่า่เห็นบว่าแค่ก็เลี้ยรนกันวพระสวัน a กันเพราเพรมีขอบเขตของเพื่นหนักราคข้าเพื่นเบาเลยได้ทอสายเพื่นกัเบาด้วยโมหะเพื่อนกับเบาด้วยคละข้าเบาทอดสายมันกับเบาคึ้นกันโมหะมันกัะเบารากข้ามันกับเบาขึ้นกันมันมันที่เบาไปจะเ่อันละอันแต่ว่าโมหะเพรโมหะนั้นหายที่หลังโมเพราะเป็นของละเอียด มัจะเทียบโมหะเทียบเหมือนไฟฟ้าโท่สะเทียบใช้ไฟลุกสูงสูงลาคะเทียบใช้ไฟมีทานหรือมีอุน่นไอเอมีทานด้วยนี่ครัโท่สะ้นเทียบทั้งมีทานด้วยมีแสงด้วยโมหะเปรียบเหมือนไฟฟ้าดอกคัดใสนานเ้่าไงเนี่ยหญ้าไมายเท่าในโกด นามเรียงหัวใจของเขานะดำญาณใดเข้าพะาะวนาเขานึกในธาตุในสีในภาะวนานามเรียงหัวใจของเขาก็ว่าดำเห็นทั้งสั้นรู้เขา้าโกเทกันน่ะมันจังชีดออกว่านาดำนาเรียง <c oughs> อ่ะสัน้นว่ะมันแสดงออ ก, ออ ว, กว่านะนะวางไหนก่อน แม่นเยอะจริงอยู่อันนั้นเป็นอุปจาระสมาธิจริงอยู่จริงอยู่แต่ผู้ปัญญาก้าเขาไม่อะไรเลยเห็นพระเอ็นไหมเห็นพระเอ็นก็อยู่ได้อำนาจอนิจจังเกิดขึ้นแล้วแต่ปวดแล้วแจกสลายพวกัญยาก่าพวกเตเวอเรชั่นโนลไปที่สัมพิชพระโตรมันจะเลื่อสมฐานสมถากรรมฐานสามส่วนในพัฒนาส่วนหนึ่ง ส่วนซุกไคพัชโ ก, โกจเจอริ่องในพัชนาส่วนหนึ่งเออเจอเรื่องในพัชนาสามสม่วนสมถะส่วนเดียวมีปัญญาสามส่วนมีความสงบส่วนเดียวเขาบว่าสั่งไปพร้อมกันสุขไคพัชโกเดยอะนี่เข้าเข้าก็เห็นอยู่เข้าเห็นวัดไปโลกาตธเดียวนี้ า, าเห็นอเนจจังล้วเข้าเห็นวัดไปโลกาธาด์เพราะไตโลกาธาด์มันเต็มไปด้วยอเนจจังอัน น, น, นี้ด้านปัญญา มันมันด่านสมถะเนเห็นทุกขณะคิดนึงก็เห็นโลกรอบนึงเพราะโลกจะไปด้วยกองทุกเห็นสิ่งที 5, Hello, ่ว่ามันสัตว่ามันบุคคลมีแต่สังขารและกองทุกก็เห็นโลกรอบนึงอีกคือการเห็นดินกับเห็นโลกรอบนึงเพราะโลกมันจะไปด้วยธาตุดินเห็นน้ำก็เห็นโลกรอบนึงเพราะโลกจะไปด้วยธาตุน้ำเห็นไฟคณะนึงก็เห็นโลกรอบแล้วเพราะโลกจะไปด้วยไฟเห็นโลกโกดหลงขณะคิดนึง ก็เห็นโลกเหมือนกันเพราะโลกจะไม่ได้โลภโกรธหลงหนะักมีด้านปัญญาเข้าใ จ, จ้ะยกองอะทำได้สามารถทำได้ไม่ผูกขาดอยู่กับเพศหัวโลนผูกขาดอยู่กับผู้ทา เพชรเข้มไม่ผูกขาดอยู่กับเพชขทอมโล์นเพศคารวาก็สามารถรู้จักเพชรเข้มเหมือนกันทำคำสอนพุทธศาสนาะไม่ลำเอียงเข้ากับชั่นวันนะไม่ลำเอียงเข้ากับเพชไว้ทำไมจึงเป็นเพชพระก็พวกนี้ว่าจะทามาหากินอาศัยคนอื่นเลี้ยงชีวิตจำเป็นก็ต้องหมายเหตุให้รู้จักถ้าอย่างนั้นมันปลอมตัวมาบวชไปหากิน เหตุจากนั้นจึงมีอุปชามีอาจารย์เพราะถูกมัดถ้าอย่างนั้นคนทั้งหลายขี้เกียจทำงานทำสวนก็มาบวชกันหมดลนะความดีคนดีทำได้ง่ายความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายความชั่วคนดีทำได้ยากความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายความดีคนชั่วทำได้ายากอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องพิสูจน์อีก แต่ความสําเร็จอยู่กับความพยายามเหตุมีนิดเดียวเราจะคอยเอาแต่ผลมันก็ไม่ถูกเหตุกับผลต้องให้สมกันเหตุคือเหตุแห่งปัญญาผลก็ผลปัญญาเหตุศีลก็ผลศีลเหตุสมาธิก็ผลสมาธิเหตุปัญญาผลก็ปัญญาเหตุกับผลอยู่ที่ดวงใจหมดเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหตุรู้ตัวผลก็รู้ตัว เหตุไม่รู้ตัวผลก็ม่รูตัวเหตุก็ผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าคาราวา่าสามารถจะทําพระรหัสนให้เกิดได้เหมือนกันสามารถทําพระสวสดาวันสามารถทําพระตะกัาคามีให้เกิดขึ้นสามารถทําพระอนาคามีให้เกิดขึ้นสามารถทําพระรหัสนให้เกิดขึ้นได้เหมือนกันไม่ได้โยมชันวันลนะมันขึ้นอยู่กับผู้พยายามทําใครจึงจะพยายามทำก็ผู้ที่สร้างวาลามีแก่กล้ามาแล้วนั่นเองมันพยายามถ้าเราเบื่อไม่อยากจะพยายาม ก็ให้ทราบเถิดว่าบารมีของเรายังอ่อนอยู่ถ้าบารมีของเราแก่ก้ามาแล้วมันก็พยายามอยากจะให้ทําแต่เราจะนอนให้คอยแก่ข้ากม่าไหนก็รู้จากว่าบารมีไม่มีเราก็รีบทําเอาแล้วเนาะยะท้าวอะริวะหาภูราภิเรกุลิสาสราเอวังนี้วังนี้ตสินังเตตานังอมวกาปฏิมิจิตังวิจีตางตัววานเก็บเป็นเวสเวสเวชทู โอเรเรียนเัอสงสัพพะันโทพะนาโทยัานิโทตราโสยัาแั้พทีโยยวะาฉันเธอสัพะทุโภโตโยโทโรโภวนัสตวมาเตโยตวันสรายโยสีสีกายโโกโหอภิวาชนสีกุจานิจังโนตาปชานิโรยัตาโรธรมาวัฏฐนติอายุวโนสุขังภะรังเก่เอหน้ากาะมากนการหน้ากัหน้าิใจกัีกะ ธรรมะมันเป็นดิงดิ่งคำสอนพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นดิงเป็นดิงของชาวโลกคําสอนพระพุทธศาสนาสร้างก่อสร้างก็ตามขัดถิ่ดิงแล้ไปไม่รอดเลื่อนมาจากประเทศใดก็สร้างถิงนดิงทิ่งเครื่องวัดเครื่องตวงทิ้งดิงเครื่องไม่ทิ้งไม่แม้ไม่เคนออกไปไม่รอด นักกฎหมายนักโมงนักทักนักพวกรวนกันถ้าทิ้งคำสอนพุทธศาสนาแ ล, ล้วก็ไปไม่รอดเพราะเราต่างคนก็ต่างแม่มาต่างมีเกศก็บัญญัดิเทความตัวทุกข์ฟันอันนี้ผู้บรรญัติทำคําสอนพุทธศาสนาไม่มีเกศเหตุฉะนั้นจึงเอาเป็นประมาณไว้คาสอนพระพุทธเจ้าเป็นดิ่งของชาวโลกแต่ชาวโลกมันขี้โอมันไม่เอา พระพุทธศาสนายังอยู่ยังยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงเชิดด้วยพระพุทธศาสนาที่นาฏลงชาวพุทธจะอยู่ไรรือเราก็เหมือนวัดมวยสุดสิ้นสกุลพุทธใครรานใครกรกร้าวชาวพุทธผลกองกรรมอันไม่บริสุทธิ์จะตามถึงอยู่ตลอดกาลนานะพระพุทธศาสนาไม่มีแล้วไช่ กฎหมายใดๆก็ตั้งมาอยู่อของทาไม่นำคำหนึ่งก็หมดที่พึ่งพิงอิงอาศัยทำความชั่วในที่แก้ไม่ได้ก็ไปทำในที่รับผลของกรรมนั้นแหละจะตามเธอไปอยู่ทุกวินาทีเธอจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาไม่ว่าแต่เธอมนุษย์แหละ มดดำมดแดงมันไม่รู้จักบาปบุญกุลบโทษมันกัดกันตายมันก็เกิดมากัดกันตายอกบกับเขียดก็เป็นเวรกันอยู่อย่างนั้นชาตินี้กูกินมึงชาติหน้ามึงกินกูเสือกับปัวก็เหมือนกัน <c oughs> นผลของกรรมผู้ที่ปฏเิเสธอะไรบาปไม่บุญก็ตามบาปบุญก็ตามเขาไปอยู่นั่นนักนักนักนัก จะบัญญัติมาปุนคุณโทษถูกก็มีแต่พระพุทธศาสนาเท่านั้นนอกนั่นบัญญัติเข้าในกิเลสของตัวทีนี้ก็มีท่านเพื่อเองมาถามวันนี้แต่เป็นคนฉลาดไม่ใช่คนโง่ผู้เขากินเกไปตลอดชีวิตเขาจะสามารถเป็นพระหันได้ไหมทีนี้เราก็ตอบว่า โคมันก็กินแต่หญ้าจนวันตายมันจะเป็นพระรหันต์ไหมเสือมันก็กินแต่เนื้อจนวันตายมันเป็นพระรหันต์ไหมเออเอาละครับผมกรู้แล้วเขาไป็นแคนโง่ไม่สงสัยพระพุทธศาสนาเลยทำไมจะไม่สงสัยพระหมดความสงสัยแล้วมัวสงสัยอยู่มันก็จะสายมันก็จะบ่ายมันก็จะค่าค่ำคือตายไปเปล่า เสียประโยชน์อันจะพึงได้พึงถึงนั่นทีนี้เวลาเท่าไหร่อนี่ยหนึ่งชั่วโ ม, มงคนเดียวหนึ่งชั่วโมงคเดียวอ่วอาสี่แล้เนี่ยแม่อันบ่ะเออทีนี้ใครต้องใช้อะไรเรียบ3าะเดี๋ยวจะเสียรายภายหลัง ได้มาเนี่ยได้มาแล้วให้มันคุ้มได้มาแล้วให้มันคุม้มให้มันคุ้มเวลาบ้างได้มาแล้วให้มันคุ้มเวลาด้วยให้คุ้มน้ำมันด้วยเหีืยอจะบนว่าไม่คุ้มน้ามันไม่คุ้มเวลาฮะไม่น่าสังโยชน่า ส, สังโยชน์เป็นเครื่องผูกใจสัตว์ให้อยู่สังโยชน์ของพระโสดาบัน ละสังโยชน์ได้สามส ก, กายะทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถือตนถือตัวท่านก็ไม่ถือตนถือตัวซะสีละพัตรปรามาสท่านก็ไม่รูปคำในวามวัดปฏิบัติของท่านซะอัตวาทุปาทานท่านก็ไม่ถือตัวจนเกินไปมีผู้น้อยมาพูดธรรมะให้ฟังถ้ามีเหตุผลท่านก็ฟังไม่เถื่อมึงผู้น้อยกว่า ก, กูกูไม่ยอมไม่ไมว่าเพราะมาทิฏฐิส่วนนั้นหายไปแล้ว กามาราค ะ, คะพระเจคพระอนาคาเมยละแล้วพระพระสักาคาเมยละได้แล้วพระสักคาคาพระอนาคาเมย์ละพระพระสักคาคาเมย์นั้น ล, ละสังโยชน์เครื่องถูกใจสัตว์ให้เป็นกิเลสได้เหมือนพระสดารันแต่ว่าเป็นท่านที่หนึ่งของพระสวดารันพระสักคาคาเมยกประ้าฮอนเชื่องชอบสอบนักทำตรี พระนัาากธาคามีสอบได้ชั้นที่หนึ่งพระสวดาวันส อ, สอบได้ชั้นที่สองแต่ว่าชั้นเดียวกันส่วนพระอนาคามีนั่นท่าละสังโยชน์ได้ห้าข้อกามราคะปฏิคะส่วนพระอาหารหันต์ท่านละได้เห็บยังเหลือแต่มานะมานะเก้าของพระอาหารหันยังพระนะมานะเก้าของพระอนาคามียังละไม่ได้มานะถือตัวจาก ราคะกับโทสะขาดไปแล้วทาว ร, รานช้อนวันมีโกรดอยู่แต่ไม่ถึงกับผูกเวรพระสกทาคามีก็เหมือนกันส่วนพระอนาคามีหายแล้วโกรดไม่เฉยได้เลยไม่เฉยได้อยากล่วงละเมิดโกรดไม่เฉยได้อยากล่วงละเมิดหลงพทิ้งแล้วเหมือนนําลายพ้นทิ้งแล้วไม่เฉยได้อยากเอาคืนมากินอีกไม่ยากไม่นํามาแต่ว่ากิเอีของท่านมีอยู่ท่านยังละมานะเก้าอีกเช้าก่อน และอวิชชารูปราคะความจิตอยู่ในรูปธรรมเช่นชอบใจในสุเวขนะอรูปราคะอุทจกะความคิดพลาดเช่นนึกอะไรก็เกินเฟินเกินกว่าเหตุอวิชชาอันเป็นความเขาเป็นเหตุไม่รู้จริงอวิชชามันมีสี ไม่รู้ในทุกไม่รู้ในทุกคามไทยไม่รู้ในทุกคาเโร่ไม่รู้ในทุกคาเโรธคามีีปฏิปทาไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้จากปฏิจจสมุปบาทที่มันเกี่ยวกันเป็นสายโซ่ผูกคออยู่ถ้านาคามีนั้นเป็นผู้เลิศกว่าเขาสําคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาอยู่เป็นผู้เลิศกว่าเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาอยู่เป็นผู้เลิศกว่าเขาสําคัญตัวว่าเร็วกว่าเขา เป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาเป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวว่าเรีวกว่าเขายังมีอยู่พระอนาคามีเป็นผู้เรีวกว่าเขาสําคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาเป็นผู้เรีวกว่าเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เรีวกว่าเขาสําคัญตัวว่าเรีวกว่าเขาะพระอนาคามี่วนพระรหัสละได้แล้วพระรหัสไม่ติดอยู่ในอดีตอนาคตปัจจุบันอันใดเลยนั่น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 สีรับปุตปาทานถือมันในสินทรัพอัตวาทุปาทานทั้งสี่จึงไม่มีในเราวิญญาณตีสันทิวนที่ของเราไม่มีในที่ใดๆทั้งสิน้นเพราะเราไม่สำคัญตัวอยู่ในที่ใดๆเลยเมื่อเราไม่สำคัญตัวอยู่ในที่ใดๆเลยแล้ววิญญาณฏีสนทิของเราก็ไม่มีก็เป็นแต่สักว่ารู้ว่าเห็นแล้วก็ล่วงไปเฉยๆไม่มีพิษมีสงาา์พระอรหันต์หนักหนักหนัก เหตุฉะนั้นท่านจึงบัญญัติว่ารูปจิเตเจตสิกนิพพานนิพพานไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่นิพพานถ้าจิตทําถูกก็เป็นทางเดินเข้าสู่พระนิพพานถ้าจิตทําถูกก็จิตจิตก็รวมเสียงสมาธิปัญญาเข้าไปเป็นกําลังของเจ้าตัวเป็นเชือกสามเกลียวนะเดินไปสู่เพื่อเข้าสู่พระนิพพานเหตุฉะนั้นท่านจึงบัญญัติว่า รูปจิตเจตสิกนิพพารูปคืออะไรคือนิ่น้ําไฟรวมมาชุมกันเป็นกายเรียกว่ารูปเจตสิกคือนึกไปในทางดีทางชั่วทางกลางทางอายาดนิพพานคือพ้อนจากกลเย ด, ดไปแล้วเจตสิกความนึกคิดไปทางดีก็บุญไปทางชั่วก็บาปไปทางกลางก็ว่าอภิยญากริต ถ้าทำถูกก็รวมเสินสมาธิปัญญาเป็นเครื่องเดินไปสู่พระนิพพานถ้าทำผิดก็ลงนรกกิจมีคุณเป็นมหมันมีโทษเป็นอนันต์เหมือนกันนั่นถึงกับฆ่ากายตายไปผูกขอ น, น่ถ้าทำผิดทำดีก็มาบวกที่กิจทำชั่วก็มาบวกที่กิจบุญบวกบุญภูลขึ้นจนสูงบาป ก, ก็ละพอแล้วบุญก็สร้างพอแล้วก็เข้าสู่พระนิพนาพนาพนาพระอรหันต์นัน พระหรหัสดไม่ติดอยู่ในใดๆทั้งสิ้นมีเชื้อนน้ําไม่มีรอยขันใดจิตใจของพระหรหัสดก็อ ย, อย่างนั้นนกบินในอากาศจะถ่ายเทบเอารอยข้อไม่ได้เห็นแต่ตัวของมันนัำยาเสพติดไม่มีในพระหรหัสดยืนเดินนั่งนอนรับตื่นนึกคิดไม่มีในท่านเป็นแต่สักว่านึกเป็นแต่สักว่าคิดเป็นเรื่องสังขาสังขาร หลวงปู่มั่นฉันอาหารอยู่ยกว่านหลวงผือมีโยมคนหนึ่งมาถามท่านหลวงพอ่อหลวงพ่ออะไรกินข้าวสังขาและกองทุกกินข้าวมันไม่ได้กินด้วยพระได้พานก็ไม่ได้กินด้วยท่านพูดตอบเขาเด้งเลยคืนคำข้าวเลยคืนคำข้าวแล้วท่านก็ตอบเขาเมื่อฉันเมื่อคำข้าวยังมีอยู่ในปากก็จะไม่พูดถ้าบอกคืนคำข้าเลยอตอบเขาเลยนะ แม่ขาวคนนั้นเก่งมากเงินชื่อว่าแม่ขาวอยู่บ้านของผึ้ยน่ะสามารถถามหลวงปู่มั่นได้เพลงเลยคนอื่นไม่กล้าถามแล้วถามไม่ถูกการแทรกกระดูอันนั้นไม่ถูกการแกก็ถามเลยเพราะแกนา น, านๆยังจะมาขั้งหนึ่งแกเข้าไปวัดแกก็ถามที่แกหิวถามบางขั้นบอกว่ายาเสพติดเออยยาเสพติดมันก็มีในโรคตากับโรค ก, ก็เป็นยาเสพติดหูกับเสียงก็เป็นยาเสพติด กลินกับจมูกก็เป็นยาเสพติดรับกับเลี้ยก็เป็นยาเสพติดถ้ามันยังไม่พ้นจากเกเรถ้ายังไม่รู้เท่าความหลงของตนเป็นยาเสพติดทั้งนั้นยืนเดินนั่งนอนรับตื่นนึกคิดเป็นยาเสพติดทั้งนั้นส่วนพระทหา์แล้วไม่แหละ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 ไม่ก็ต้องทาท่าทําทางให้มันว่าที่บัญญัติว่าปล่อยวางเพื่อให้เป็นบุคลาธิฐานไอ้ที่แท้ถ้ารู้ทำจริงแล้วมันไม่ได้ปล่อยวางมันปล่อยวางมันเองเช่นเราลับตาอยู่อย่างนี้เวลาเราลืมตาขึ้นมันปล่อยเมื่เองมันเราไม่ทําท่าทําทางปล่อยถูกไหมนะ <laughs> พระเนพานคือดับเพลินทั้งปวงในโลกสงสารพระเนพานไม่ได้สําคัญตัวอยู่ในที่ใดๆเลยถ้าสําคัญตัวเป็นนั่นเป็นนี่มันไม่ใช่พระเนพานพระเนพานมันอยู่เหนือผู้รู้ไปพระเนพานไม่ใช่ผู้รู้เหนือผู้รู้ไปจึงเป็นพระเนพานไม่มีที่หมายใช้แล้วส่วนยถาวิโมกอันนี้ไม่ตถวิโมกข์อัออปปนาหิตตาวิโมกข์วิโมก ค, คือว่าทัศนียะทัศนานุทัศยะความเห็นเยี่ยม ปฏิปทานุตติยะความปฏิบัติเยี่ยมวิมุตตานุตติยะความพ้นเยี่ยมเห็นเยี่ยมจากเพียงใดจากเพียงไหนก็าตามถ้าปฏิบัติไม่เยี่ยมมันก็พ้นไม่เยี่ยมนะนะ่ะ